มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรคำนำหนังสือเรื่องมิลินทปัญหานี้ แต่งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช500โดยพระปิตกะจุราภัยเถระแต่งเป็นภาษาสันสกิตต้นฉบับเดิมสูญหายไปยังเหลือแต่ต้นฉบับภาษาบาลีที่พระเถระชาวสิงห์หนได้ถ่ายทอดไปไว้ในประเทศศรีลังกาดังนั้นจึงปรากฏอยู่แต่ฉบับภาษาบาลีมิลินทปัญหานี้ได้มีนักปราช์ แปลออกไปหลายภาษาในหมู่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาทั้งทวีบเอเชียและยุโรปการแปลออกไปเป็นภาษาต่างๆนี้ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนเสียหายมากมีผู้รู้ได้สันนิษฐานว่าฉบับที่พอยึดถือเป็นหลักฐานอ้างอิงได้มีแต่ฉบับภาษาบาลีในประเทศศรีลังกาไทยและพม่าเท่านั้น แต่ที่ถูกต้องที่สุดน่าจะเป็นฉบับที่มีอยู่ในประเทศไทยหนังสือเรื่องมิลินทปัญหานี้ต้นฉบับเดิมเป็นคมภีไบลานจำนวนส1อดผูกแปลออกมาเป็นภาษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แปลวรรณกรรมเรื่องมิลินทปัญหานี้ มีเนื้อหาว่าด้การโต้อตอบปัญหาข้อธรรมะต่างๆมีตั้งแต่เรื่องธรรมะพื้นๆไปจนถึงธรรมะลึกซึ้งคือพระนิพพานระหว่างพระนาคเกษกับพระเจ้ามิลินจึงนับได้ว่าวรณกรรเรื่องนี้ให้ความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีพร้อมกับข้อเปรียบเทียบ อันจะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้องบุคคลที่อ่านศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสิ่งจะเป็นผลตามมาคือความสงบสุขของชีวิตและสังคมมีสันติสุขหวังว่าวรัณกรรมพุทธศาสนาเรื่อง มิลินทปัญหานี้จะอำนวยประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในวรรณกรรมของชาติโดยทั่วถึงกันนายอารักษ์สังหิตกุลอธิบดีกรมศิลปากรสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 2,549 อธิบายว่าด้วยหนังสือมิลินทปัญหา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งอธิบายเรื่องหนังสือมิลินทปัญหาฉบับนี้ไว้แต่เมื่อค่าวพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศ .2467 ดังนี้หนังสือมิลินทปัญหาคำภีนี้แต่งขึ้นเมื่อพุทธศาสนาการประมาณห0 0พรรษาพระคันธารัจนาจารย์ประสงค์จัดชี้แจงข้อธรรมวินัย ในพระพุทธศาสนาให้แจมแจ้งพลนวิมติกังขาจึงเอาอาดีตนิทานเรื่องพระนาคเษนแก้ปัญหาพระยามิลินโยโนกราชอันเป็นเรื่องมีความจริงเป็นข้อมูลมาตั้งเป็นเขาแล้วแต่งอธิบายพระธรรมวินัยตามอนุมัติของท่านพระคันธรัจนาจารย์ผู้แต่งคำพิมลินทปัญหานี้มีนามปรากฏในคานมัสการข้างต้นว่า ชื่อพระปิตกะจุลาภัยแต่อาจารย์มริตเดวิตผู้แปลคำพีมิลินทปัญหาเป็นภาษาอังกฤษหาได้ออกหนาไม่กล่าวแต่ว่านังสือมิลินทปัญหานี้เป็นนังสือแต่งทางอินเดียข้างเหนือเมื่อคราวแรกตั้งจำนวนคริสตกในเวลาลทัทธิถือพระพุทธศาสนาอย่างมิได้เกิดการแตกต่างกันเป็นลทัทธิมหายานข้างฝ่ายเหนือ และลัทธิหิ น, นยานข้างฝ่ายใต้และว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้เดิมคงแต่งในภาษาสันสกฤตหรือภาษาปรากฤิตอย่างเช่นคำพีอื่นซึ่งแต่งทางอินเดียข้างฝ่ายเหนือนั้นแต่ฉบับเดิมสาบศูนย์ไปเสียแล้วหากชาวสิงหหนได้แปลฉบับเดิมเป็นภาษาบาลีรักษาไว้ในลังกาทวีปหนังสือมิลินทปัญหา จึงยังปรากฏสือมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ความพึ่งปรากฏแก่ชาวโยุโรปไม่ช้านานมานักว่าจีนก็ได้นังสือมิลินทปัญหาฉบับเดิมไปจากอินเดียแต่ดึกดำบรรเหมือนกันพวกชาวต่างประเทศที่ศึกษานังสือจีนค้นไปพบเข้าจึงได้ทราบความอันนี้แต่ก็ไม่ได้ตัวฉบับเดิมเพราะจีนเอาไปแปลเป็นภาษาจีนเสียเหมือนอย่างนังสือคมภีอื่น ที่ได้ไปจากอินเดียฉบับภาษาจีนถ้อยคำสำนวนจิงเคลื่อนคลาดไปเสียมากผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาในานานาประเทศได้อาศัยแต่ฉบับภาษาบาลีที่มีอยู่ในเมืองลังกาเมืองไทยเมืองพมา่าสามแห่งเท่านั้นและปรากฏว่าฉบับที่ได้ไปจากเมืองไทยเป็นบริบูรณ์ดีกว่าที่ได้ไปจากที่อื่น อาจารย์ริดเดวิตยกย่องว่าหนังสือมิลินทปัญหานี้เป็นหนังสือที่แต่งดีนับเป็นอย่างยอดได้คำพีหนึ่งว่าในบรรดาหนังสือที่แต่งภายหลังพระไตรปิฎกด้วยกันหนังสือที่แต่งดีใกล้เคียงหนังสือมิลินทปัญหานี้มีแต่หนังสือวิสุทธิมรรคของพระพุทธโคสาจารย์คมภีเดียวแต่หนังสือมิลินทปัญหาเป็นหนังสือเก่าก่อนวิสุทธิมรรคช้านาน ถึงแม้พระพุทธโคสาจารย์ผู้ไปทำสังคยนาในลังกาทวีบเมื่อพระพุทธศาสนาการ999พรรษาและแต่งคำภีวิสุทธิมรักานั้นก็ยังอ้างหนังสือมิลินทปัญหาเป็นหลักความวินิจฉัยในหนังสืออัตถกถาที่พระพุทธโคสาจารย์แต่งหลายแห่งจึงเห็นได้ว่าหนังสือมิลินทปัญหาคมภีนี้นักปรานับถือกันว่า เป็นหลักฐานในข้อวินิจฉัยพระธรรมวินัยมาแต่ดึกดำบัดแล้วอาจารย์ริดเดวิตได้ลองกำหนดข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งยกมาอ้างไว้ในหนังสือมิลินทปัญหานี้สังเกตดูได้ความปรากฏว่าพระคันธรัจนาจารย์ผู้แต่งเป็นผู้ชำนาญพระไตรปิฎกแตกฉานอาจจะอ้างได้แทบทุกคำภีสำนวนที่แต่งหนังสือก็แต่งดี และข้อวิเศษสำคัญนั้นที่ฉลาดทั้งในทางวินิจฉัยและในกระบวนวิสัชนาพระธรรมวินัยให้เข้าใจได้ด้วยอุปมาเป็นต้นผิดกับหนังสือคำพีอื่นโดยมากจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานับถือหนังสือมิลินทปัญหาคำพีนี้สืบต่อกันมากกว่า1900ันปีเข้าบัดนี้หนังสือมิลินทปัญหานี้ ได้แปลเป็นภาษาของประชาชนชาติที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาแทบทั่วทุกภาษาทางยุโรปนอกจากภาษาอังกฤษที่อาจารย์ริชเดวิดแปลจะได้แปลเป็นภาษาใดอีกบ้างยังหาทราบหมดไม่แต่ที่แปลเป็นภาษาไทยได้แปลแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีมีเชิงอัดบางที อาจจะได้แปลเป็นภาษาไทยแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยด้วยอ้างถึงหนังสือมิลินทปัญหาในบาลนพนกหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งพระมหาธรรมราชาพระยาลิไทยทรงแต่งขึ้นเมื่อครั้งกรุงสุขโขทัยยังเป็นมราชธานีจบข้อความเชิงอัดต่อได้แปลแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นมราชธานีมีต้นฉบับหอพระสมุด ได้ไว้แต่ไม่บริบูรณ์แต่ฉบับภาษาไทยที่พิมพ์ครั้งนี้เป็นสำนวนแปลในกรุงรัตนโกสินแต่ไม่ปรากฏในต้นฉบับว่าแปลเมื่อรัชกาลไหนและผู้ใดเป็นผู้แปลแต่เป็นฉบับหลวงอยู่ในหอมุนเทียนธรรมแต่ก่อนมาสันนิษฐานว่าเห็นจะแปลในรัชกาลที่สามด้วยปรากฏมาว่า ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้แปลหนังสือซึ่งแต่งไว้เป็นภาษามคตออกเป็นภาษาไทยหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มีฉบับปรากฏอยู่คือเรื่องมหาวงพงศาวดารลังกาว่าด้วยพุทธศาสนาประวัติในลังกาทวีปเรื่องชินกาละมาลินีว่าด้วยพุทธศาสนาประวัติในประเทศนี้ และเรื่องไตรโลกกับวินิจฉัยเป็นต้นแต่หนังสือซึ่งแปลในรัชกาลที่หนึ่งมักมีบาลผ น, นกและบอกชื่อผู้แปลไว้เป็นสําคัญแต่เรื่องมิลินทปัญหานี้หามีไม้จึงสันนิฐานว่าจะแปลในรัชกาลที่สามด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาศัยราชประเพณีที่ทรงสดับพระธรรมเทศนาทุกวันเป็นนิดในครั้งนั้น โปรดให้อาราธนาพระผู้ถวายเทศแปลพระไตรปิฎกทั้งพระสูตรพระวินยัยพระปรมัติและหนังสือเรื่องต่างๆซึ่งโบราณบัณดิตได้แต่งไว้เป็นภาษามะคตแม้จนปัญญาสัจชาดกมาถวายเทศเมื่อเทศแล้วโปรดให้เขียนเก็บรักษาไว้ในหอหลวงจึงเกิดหนังสือซึ่งแปลจากภาษามะคต ออกเป็นภาษาไทยขึ้นในรัชกาลที่สามเป็นอันมากหนังสือเรื่องมิลินทปัญหาฉบับนี้ก็เห็นจะได้แปลถวายเทศในสมัยนั้นต่อมาถึงรัชกาลที่ห้าเมื่อจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยมีหนังสือท ร, รมาจากสุของมหาวิทยาลัยพิมพ์ออกเป็นรายเดือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ส่งแปลมิลินทปัญหาพิมพ์ในหนังสือธรร ม, มาจากสุอีกครั้งหนึ่งหนังสือมิลินทปัญหาที่แปลเป็นภาษาไทยจึงมีอยู่เป็นสามฉบับคือฉบับแปลครั้งกรุงศรีอยุธยาฉบับหนึ่งฉบับแปลในครั้งรัชกาลที่สามฉบับหนึ่งและฉบับแปลในมหามากุฎราชวิทยาลัยฉบับหนึ่งกรรมาการหอพระสมุดวัชิรยานสําหรับพระนครปรารภว่า หนังสือมิลินทปัญหาเป็นหนังสือสําคัญมาเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะพิมพ์เป็นหนังสือฉบับหอพระสมุดเพราะที่พิมพ์ในหนังสือธรรมาจากสุพิมพ์แยกอยู่แห่งละเล็กละน้อยในหนังสือซึ่งออกเป็นารายเดือนยังไม่ได้รวบรวมไว้ในแห่งเดียวกันได้ตรวจเลือกว่าจะพิมพ์ฉบับไหนดีเห็นว่าฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลายัยสำนวนไม่เสมอกัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงแปลเองแต่ข้างต้นไม่กี่ตอนต่อไปแปลหลายสำนวนยิ่งบ้างหย่อนบ้างส่วนฉบับหลวงครั้งรัชกาลที่สามนั้นแม้เป็นสำนวนเก่าซึ่งมักติกันในปัจจุบันนี้ว่าอยู่ข้างรุ่มร่ามก็เป็นสำนวนเสมอต้นเสมอปลายจึงได้เลือกเอาฉบับหลวงครั้งรัชกาลที่สามพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ กรมศิลปากร๙กุมภาพันธ์2511ภาพประกอบภาพประกอบที่หนึ่งสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิการเป็นที่ประทับของเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ทิศมีเท้ากูเวนเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอยู่ทิศอุดรเท้าทัตตรศเป็นใหญ่แก่คนทันทั้งหลายอยู่ทิศบูรพา เทาวิรูปักเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายอยู่ทิศประจิมเทาวิรุณราชเป็นใหญ่แก่กลุ่มพันธ์ทั้งหลายอยู่ทิศทักษินภาพประกอบที่สองเขาพระสุมเมนมีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบคือปีตสาครนคีระสาครนผลึกสาครและนิลสาครภาพประกอบที่สามภาพประกอบ แผนที่โบราณแสดงภาพเขาอากาศคงคามิสระใหญ่ชื่อติยงสระโบคารณีมีภาพเล่าเรื่องในวีสตินิบาชาดกชื่อพลาติกะชาดกเมื่อพระยาปัตสเวนเป็นมิขะกินนอนนางมาริกาเป็นมิขะกินนรีอยู่ในป่าหิมะผานพระโพธิสัตว์เป็นพยาพลาติคราช ครองเมืองพาราณสีภาพประกอบที่สแผนที่โบราณแสดงภาพเล่าเรื่องรามสูนผูกเวรกับนางเมฆขลาตอนล่างมีภาพนิทานเมื่อปฐมมากันนาขาดน้ำจึงมาขอน้ำจากพญากบแต่มนตรีกบไม่ยอมให้